ขณะเดียวกันไม่เกิดอัธยาศัยรังเกียจสัตว์อื่นเนี่ยนะเขาเรียกว่าขยะขยงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือคือมองคนอื่นก็ก็มีบางคนเนี่ยนะเกลียดคนอื่นเหมือนกับเกลียดสัตว์เดรัจฉานที่ตัวเองรังเกียจแบบนั้นนะนะบางคนในลักษณะนั้นก็มีแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นทักท้วงในฐานะที่ควรข่มเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะความเสียหายก็ไม่ใช่เก็บนิง่งเงียบก็คือมีการทักท้วงขึ้นแต่ก็ไม่ได้ ไม่สร้างศัตรูนะครับว่าทักท้วงตรงนี้กับการสร้างศัตรูไม่เหมือนกันการทักท้วงในฐานะที่ควรข่มก็คือการที่เรียกว่าไม่ไม่เก็บนิ่งเมื่อเขาตั้งอยู่ต่ากว่าก็ไม่ควรวางตนให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้สูงกว่าก็คือเป็นไม่เป็นคนที่วางอำ น, นาจบาดใหญ่ไม่คบผู้อื่นจนหมดสิ้นก็หาไม่แปลว่าอะไรไม่คบคนอื่นจนหมดใจ คือฟังคํานี้เหมือนกับว่าเขาไม่จริงใจไม่ใช่เขาไม่คบจนหมดใจเพื่อจะได้เสียใจในวันหลังไม่ใช่ลักษณะนั้นเรียกว่าเปิดทางถอยเอาไว้เนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับว่าผูกอะไรก็เตรียมแก้เอาไว้เบ็ดเสร็จแล้วฉันใดเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ฉันนั้นแค่ไหนจริงจะแค่รักษาใจได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าผิดหวังในวันสุดท้ายเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะไม่คบคนอื่นจนหมดสิ้นแบบนั้น จนเขาเรียกว่าแบบอะไรนะยอมคนอื่นจนคนอื่นก็ตัดเมื่อไหร่ตัวเองก็กลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ไม่มีทางไปอะไรท่านไม่ใช่คนลักษณะนั้นนะนะ เ, เรียกว่าไม่ได้คบผู้อื่นจนหมดใจแล้วตัวเองต้องมาเดือดร้อนใจมาเสียใจมาลําบากใจมาเดือดร้อนใจในวันหลังเป็นต้นแปลว่าคบคนอื่นตามฐานะที่สมควรเนี่ยนะนะตามฐานะที่สมควรเขาบอกว่าเช่นคบมิตรสหายใกล้กันเกินไปมันก็ไม่ดี ห่างกันเกินไปก็เหินห่างเหมือนไฟหน้าหนาวเพื่อนเนี่ยนะก็เหมือนกับมีไฟหน้าหนาวถ้าเราเข้าไปชิดไฟเกินไปมันก็เผาไหม้มันก็ร้อนห่างเกินไปก็นาวเหน็บหาความพอดีให้พบเหมือนกับเราขับรถเนี่ยนะสมมติว่าคันข้างหน้าก็เพื่อนเราคันข้างหลังก็เพื่อนเราเราจะขับรถยังไงไม่ให้ไปชนคันหน้าแต่ก็ไม่ให้คันหลังวิ่งมาชนเราเรียก mm ว่าหาความพอดีให้พบการคบกับเพื่อนก็เหมือนกัน คบกับเพื่อนทางกายอย่างไรโดยที่ไม่ไม่สร้างปัญหาในวันหลังใช้วาจายอย่างไรไม่เดือดร้อนใจในวันหลังคิดอย่างไรเรียกว่าวางท่าทีทางความคิดที่เหมาะสมโดยตัวเองไม่ต้องเศร้าใจลําบากใจในวันหลังมีปกติรู้จักรักษาใจนั่นเองเรียก ว, ว่ารู้จักรักษาใจวางใจแค่ไหนโดยที่ตัวเองไม่ลําบากใจในวันหลังเพราะบางคนเนี่ยเรียกว่าคบคนอื่นจนหมดใจเสร็จแล้วก็ลําบากใจในวันหลังนี่ก็ถือว่าเป็นความ ผิดพลาดเนี่ยนะเสียหายบางคนก็ได้นะพวกผิดหวังจากคนอื่นก็เลยยอมตายซะเลยเป็นต้นอันนั้นก็เกินไปก็เรียกว่าเรียกว่าเผลอใจขนาดนั้นก็อันนั้นไม่เรียกว่าอะไรนะอุบัติเหตุทางความคิดที่รุนแรงเกินไปเพราะงั้นต้องมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันตกปักรักษาใจไม่ให้ลําบากใจในวันหลังพันจึงไม่คบคนอื่นจนหมดสิ้นแบบอุ้ยทุกอย่างก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้คบมากเกินไป แล้วก็ไม่ใช่คบชนิดพร่ำเพื่อเนี่ยนะคบกับคนคบด่าหมดไม่ใช่ลักษณะนั้นเพราะท่านคือเจ้าของอเซวนาจะพาลานางปันติตานั้นจะเสวนาท่านรู้ว่าใครควครคบใครไม่ควครคบหลักการก็มีอยู่ว่าคบคนเสมอกันก็จะเท่ากันคบคนที่ยิ่งกว่าสูงกว่าก็จะยิ่งกว่าเาะะนั้นควนครคบถ้าจะควครคบจริงๆก็คือ ให้คบคนที่ยิ่งกว่าถ้าหาไม่ได้คนเท่ากันก็ยังดีอย่าคบคนที่ต่ํากว่าโดยเด็ดขาดเว้นเกี่ยวข้องเพื่อการสงเคราะห์เนี่ยนะถ้าดูทําท่าสงเคราะห์ไม่ได้ก็ตัวใครก็ตัวใครแหละถ้าไม่ตัวใครก็ตัวใครมันก็มีคนหนึ่งกลายไปเป็นอีกคนหนึ่งจนได้ถ้าเราครบกับใครถ้าเขาไม่โอนมาตามเราเราก็โอนไปตามเขาถ้าหากว่าเราโอนไปตามคนที่มันเท่ากันหรือยิ่งกว่ามันก็ดีเลยเนี่ยถ้าโอนไปตามคนที่เลวกว่าไปไหน ก็ไปเร็วกว่าอยู่แล้วล่ะท่นก็เรียกว่าไม่คบกันมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่คบกับคนทั่วไปอย่างพร่ำเพรื่อเรียกว่าวางตัวเป็นรักษาตัวเป็นไม่อย่างนั้นโอ้ยผิดหวังมาตลอดแหละคนที่ใช้ชีวิตแล้วลำบากใจเนี่ยนะอันหนึ่งก็คือคบคนไม่เป็นก็คือไม่เคยคิดอะไรที่มันไกลๆเอาไว้บ้าง ไม่คิดเผื่อใจบ้างพวกนี้คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันวันหนึ่งโดยมากก็เดือดร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเห็นเขายิ้มกันึก ว, ว่าโอ้เขายิ้มยังไงกับเราก็ไม่รู้นึกว่าอู้จริงใจกับเราจริงๆดูสิเขายิ้มกับเราเราก็เลยเปิดใจหมดเสยียเลรัหน้าที่มีรอยยิ้มเนี่ยด่าเราก็เลยน้อยเสียใจไปเจ็ดวันแปดวันก็มีบางคนไม่เสียใจไปครึ่งเดือนก็มีอันนั้นก็เกินไปอีก มันก็ได้ว่าหาความพอดีหาความเหมาะสมโดยเฉพาะท่าทีทางความคิดเนี่ยจะ ต, ต้องรักษาให้ดีระวังให้ดีไหนๆเพราะเราก็เป็นลูกหลานพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องอประพฤติปฏิบัติในท่าทีที่คล้ายคลึงกันไม่คบคนจนหมดใจเว้นกับพระรัตนะไตรถ้าเราจะหมดใจก็ขอหมดใจกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีภาษารีบุตรเป็นต้น มันถ้าเราจะหมดใจก็ขอหมดใจกับพระรัตนตรยัยปล่อยกายปล่อยใจกับคำสอนของพระรัตนตรยัยแต่ถ้ากับบุคคลทั่วๆไปภาษาสมัยใหม่เขว่าสงวนท่าทีไว้บ้างจะดีไม่อย่างนั้นลำบากใจแน่เพราะว่าถ้าครบมากเกินไปก็อย่างว่าก็กว่าโลกเนี่ยนะถ้ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากมันจะเป็นยังไงก็ร้อนจัดเลยแหละถ้าห่างเกินไปมีแต่ก้อนน้ําแข็ง ก็ว่าโลกนี้มันโคจรได้พอดีนะมันจึงสัตว์จึงมีชีวิตอยู่ในโลกการครบคนถ้าเราครบเป็นกุศลธรรมเจริญอย่างเดียวแต่ถ้าเราครบไม่เป็นอกุศลเสื่อมอย่างเดียวเพรามันแต่ว่าหลักการพระองค์ก็แนะนําอยู่แล้วละ่ะการครบคนก็คือเอากุศลกรรมบทเป็นต้นมามาเป็นเครื่องวัดว่าเขาประพฤติกุศลกรรมมาบทไหมถ้าไม่รักษากุศลกรรมบทห่างไว้หน่อยดีหรือถ้าเกี่ยวข้องกันก็นกต้องแบบอะไรนะ การชนเนี่ยนะแบบนิ่มๆนะโว้ยหลายชั้นมากจนไม่ประสบอุบัติเหตุเหมือนรถเมื่อเช้านี่แม้าจะผ่าครึ่งเลยแหละแต่ขนาดนั้นก็เสียหายละเมื่อเช้านี่นะผ่านไปรถคันไหนโว้ชนจะเกือบครึ่งคันเลยแหลกเละหมดเลยเศษเหล็กทันทีกลางถนนด้วยนะไม่ใช่นะมานพระโพธิสัตว์นั้นคบแต่สัตว์ที่ควครคบตามกาละเทศ ตามกาละกาละแปลว่าเวลาเทสะคือสถานที่ น, นะสถานที่เช่นใดควคบบุคคลเช่นใดนั้นต้องรู้กาละและเทสะไม่ติเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่ไม่รักต่อหน้าผู้อื่นอันนี้ก็หลักการที่สําคัญคือไม่ติเตียนคนที่รักต่อหน้าคนอื่นไม่ใช่เราชอบคนนี้มากแต่ว่าเที่ยวด่าคนนี้กันต่อหน้าคนอื่นทั่วไปหมดก็ไม่ใช่ หรือไม่ใช่เรานี่เกลียดบางคนแต่ไปเที่ยวชมทั่วไปหมดไม่มีนิสัยแบบนั้นคืออาการที่เรียกว่าติเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่เราไม่รักต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเป็นลักษณะของคนนิสัยเลวบางคนที่ต้องการเรียกว่ามันเป็นแผนอีกชนิดหนึ่งในการอ่าเรียกว่ามันเป็นกลลวงเนี่ยนะก็เป็นการวางหมากวางเล่เกเท ข, ของคนลวงทั้งหลายจะติเตียนคนที่ตัวเองรักเพื่อเพื่อประโยชน์บางอย่าง ทำเป็นตําหนิเกลียดชังกับคนที่ตัวเองจริงๆแล้วรักแต้ตายเนี่ยนะติเตียนก็แปลว่ามันมีแผนในใจบางอย่างเรียกว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ไอาการที่ไปยกย่องคนที่ตัวเองเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าแต่ยกยกยกย ก, ยกสรรเสริญ น, นั่นก็เป็นเรียกว่าเล่กลของคนลวงเนี่ยนะชิงชังแต่ทําเสมือนรักรักแต่ทําเสมือนชิงชังก็เป็น กะโลบายกะกะโลบายมาจากกลบวกอุบายเนี่ยนะอุบายที่เลขกลกลนก็แปลว่าเล่เหลี่ยมก็เหมือนกับมายากลเนี่ยนะมายากลคือสิ่งนั้นไม่ใช่ความจริงแต่เป็นหลุมพรางเพื่อดักเพื่อดักเพราะนั้นแปลว่าเป็นคนที่มีความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังคำว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่อย่าลืมว่าไม่งูนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้กล่าวมาตลอดว่าท่านเป็นคนที่ไม่โงูมีสติมีปัญญาอย่างดีแต่ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังคบทุกอย่างด้วยความสุดจริตใจคําว่าสุดจริตใจแปลว่าครบกันด้วยกุศลกรรมบท10 ป, ประการเพราะว่าถ้าหาว่าครบด้วยอภิชาก็จะทุจริตครบด้วยมิจฉาทิฏฐิก็เป็นทุจริตเนี่ยนะถ้าคบด้วยอภิชาด้วยความโลกก็เป็นมโนทุจริตครบด้วยความกโกรก็เป็นทุจริต หรือคบด้วยความเข้าใจผิดหลงผิดด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิก็เป็นทุจริตเพราะทุจริตนั้นคืออะไรโดยเฉพาะมโนทุจริตคืออภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าควบกันด้วยความสุจริตใจเพรา ะ, ะนั้นควบด้วยสุจริตใจก็คือควบด้วยอำนาจพิชาคบด้วยอัพยาบาทคบด้วยสัมมาทิฐินั่นเองไม่วิสาสะกับคนที่ตนไม่คุ้นเคยเนี่ยนะก็คือไม่ใช่ว่า บางคนเนี่ยนะวิสาสะกับคนที่ตัวเองไม่วิสาสะเลยเนี่ยนะเพ er n n ิ่งเจอกันนิดหน่อยก็ล้อเลียนเขาล้อเขาเล่นซะจนได้เรื่องอ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าไปวิส า, าสะกับคนที่ตัวเองไม่รู้จักเนี่ยนะเช่นไปพูดบางอย่างเนี่ยถ้อยคําบางอย่างที่เหมือนกับแหมคนเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแล้วมั้งจึงจะพูดคําบางคำบางค ำ, บางคำออกไปได้แต่ไปพูดคําบางคํากับคนบางคนไม่ได้เพรานก็เรียกว่าไม่วิสาสะกับคนที่ตนไม่คุ้นเคย เพราะว่าการวิสาสะกับคนที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเช่นถือเอาของของเขามาใช้โดยวิสาสะก็เสียหายพูดคําพูดบางอย่างโดยวิสาสะก็เสียหายสร้างกิริยาบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างโดยวิสาสะก็สร้างแต่ความเสียหายไม่วิสาสะทางกายและวาจาโดยกายกรรมวัจีกรรมกับคนที่ไม่คุ้นเคยคือว่าสงวนท่าทีกับคนที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเนี่ยนนะคือว่ารักษามันยากได้ดีเยี่ยม ถ้าไม่รักษามารยาทอย่างดีเยี่ยมเราไม่รู้จักนิสัยของเขาเลยแล้วเราไปหยิบของของเขาอย่างเงี้ยนะอะไรเกิดขึ้นแม้แต่คนที่เราคุ้นเคยเนี่ยไอการหยิบของของเขาเป็นต้นก็ต้องระวังคำพูดที่กระวะ่าบางคนเนี่ยนะคบกันนานก็เลยใช้คำไม่ระวังแต่จริงๆเขาแนะนำว่าคนที่เราต้องใช้คำที่ระวังที่สุดคือคนที่คบกันนานและโดยเฉพาะใกล้ชิดกันที่สุด จะต้องระ ม, มัดระวังที่สุดเนี่ยนะเพราะบุคค ล, ลเหล่านี้ใครได้ว่าพอทะเลาะกันดูสิโอ้ยบัญชีย้อนหลังเนี่ยตเต็มไปหมดเลยนะขุดมาจากไหนไม่รู้มาต่อว่าห น, นึ่งสองสามสี่ห้านะไม่รู้ขุดมาโดยเฉพาะในเขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวทั้งหลายเนี่ยนะคู่ผัวตัวเมียนเนี่ยโอ้ยไม่รู้ขุดรากเงามาจากปางไหนก็ไม่รู้ใครว่าตอนธรรมดาตอนที่ยังพอชอบพอกันก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยนะเอกฝ่ายหนึ่งจะพูดอะไรก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ทําเป็นทนเสมอ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเาเรียกว่ามันทะลักออกมาก็เลยเดือดร้อนนี่ขนาดกับคุ้นเคยกันยังเป็นอย่างนั้นแล้วกับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะต้องระวังขนาดไหนเพราะเราเรียกว่าไม่มีใครคนที่เรารู้จักท่าแท้เข้าอย่างแท้จริงเพาะงั้นเรียกว่าท่าแท้ของแต่ละคนที่แท้จริงอะ่ะแค่ไหนเนี่ยยากที่จะประมาณได้เพราะบางทีเราเองเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้ท่าแท้ของตัวเองจากเท่าไหร่ ในเฉพาะชาตินี้อาจจะรู้แล้วอุปนิสัยในอดีตแต่ชาติเมื่อหลายๆชาติขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุแท้เนี่ยแหมมันธาตุไหนบ้างอะเพราะว่าเราสะสมเกือบทุกธาตุธาตุแห่งตานาติบาศก็สะสมมาธาตุแห่งอาทินาทานเป็นต้นก็สะสมมาธาตุแห่งการเมสุมิชฌาจารธาตุมูสาวาจธาตุพฤศวาราปิสุนาวาจาสัมผับลาปะอภิชาพยาบาทธาตุแห่ง มิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นไม่รู้สะสมธาตุชนิดไหนมามาบ้างเพรานั้นก็ต้องระมัดระวังเรียกว่าตกลงในโลกนี้ใครควรระวังที่สุดอสาธุนะระวังตัวเองให้มันดีที่สุดเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยเดือดร้อนน่เนะอย่าไปคุ้นเคยกับตัวเองมากเกินไปเนี่ยนะโดยเฉพาะแม้ความคิดของเราเนี่ยสบายเนี่ยนะนั่นแหละเดี๋ยวเดือดร้อนนะเชื่อัหมใจของเราเนี่ยนะอย่าไปคุ้นเคยกับมันมากอย่าไปเชื่อใจมันมากนักน้องเรืองนะอย่าไปเชื่อใจตัวเองมากนักเดี๋ยวแย่ ใจนี่แหละผ่าตกนรกมรุกิภพกิชาแล้วขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานท่านไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรมะเนี่ยนะคือคือในโลกนี้มันก็มีการเกี่ยวข้องกันมีการเชื้อเชิญการมีการบอกกล่าวกันแต่ไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่ถูกต้องคือว่าปฏิเสธคําพูดที่เป็นอัดเป็นธรรมไม่ได้เนี่ยนะคือคือด้วยกระว่าพูดแบบอย่างคนเชื้อเชิญ เป็นอัดเป็นธรรมเชื้อเชิญตามหลักตามธรรมตามวิมนัยเป็นต้นบุคคลเหล่านี้จะไม่มีการปฏิเสธเนี่ยนะแต่ก็ไม่แสดงตัวมากเกินไปเนี่ยนะก็ไม่แสดงตัวมากเกินไปไม่รับของมากเกินไปคือว่าปกติการคุ้นเคยการกา ร, การเกี่ยวข้องกัน ก, ก็จะมีของฝากเป็นต้นใช่ไหมพวกนี้ก็ไม่รับของจนเกินไปแต่ไม่ใช่ไม่รับที่รับเพราะกลัวจะเสียมิตร แต่จะไม่รับจนเกินไปจนจนเรียกว่าอะไรนะเป็นกลายเป็นมากๆาเป็นต้นเรียกว่ารู้จักความพอดีย่อมยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวอานิสงส์ของศรัทธาเห็นเขามีศรัทธาอยู่แล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาแสดงความยินดีในความเป็นผู้มีศรัทธาเห็นเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ยินดีในความที่เขาเป็นผู้มี ศรัทธากับพระพุทธเจ้าก็ามีศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์ก็แสดงความยินดีพูดถึงคุณประโยชน์ของการมีศรัทธาอ น, นิี้สงแปล ว, ว่ากําไรกล่าวถึงผลกําไรแห่งการมีศรัทธาว่าเรื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีอกําไรอย่างไรเรื่อมใสในพระธรรมมีกําไรอย่างไรเรื่อมใสในพระสงฆ์มีกําไรอย่างไรเนี่ยเป็นต้นอันหนึหากว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงกําลังแห่งปัญญา ถ้ามีบุญมีปัญญามีอภิญญาก็แสดงนรกตามสมควรแก่กําลังแห่งอภิญญายังสัตว์พูดถึงความประมาทให้สังเวชแล้วยังสัตว์ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นให้ตั้งอยู่ในศรัทธามีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสังกิตจนะฤศีเห็นอหมมีเพื่อนคนหนึ่งก็คือกล่าวถึงประวัติพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะพระเจ้าชาติศัตรูนั้นไม่ใช่ฆ่าพ่อแต่ชาติเดียวอดีตชาติก็เคยฆ่าพ่อมาแล้ว เมื่อเมื่อหลายชาติก่อนนู้นเนี่ยนะก็ก็เป็นลูกของพระราชาพระเจ้าชาติศัตรูเป็นลูกของพระราชาพระโพธิสัตว์เป็นลูกของปุโรหิตทั้งคู่ก็ไปเรียนศิลปะในที่สุดก็เรียนกลับมาเอพระเจ้าชาติศัตรูในอดีตชาตินั้นก็คิดว่าเออนี่ยนะถ้าเราแก่ๆนะแล้วเราครองราชมันจะมีความสุขได้ยังไงพ่อเราก็แหมดูยังหนุ่มเหลือเกินอีกนานนะกว่าจะสิ้นพระชนเราเองเนี่ยถ้า เป็นพระราชาเป็นตอนแก่เนี่ยมันจะไปโก้ตรงไหนก็เลยฆ่าพ่อดีกว่ามากเราจะได้ขึ้นครองราชเร็วๆหน่อยคิดแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนนะเพราะตอนนั้นก็เป็นอุปราชอยู่เพื่อนก็เป็นเสนาบดีใกล้ชิดกับอุปราชเป็นเพื่อนกันด้วยเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะฆ่าพ่อแล้วจะครองราชเฮ้ยทำนี้ไนดะ้ยังไงบาปอนันตเรียกรรมตกนรกเพื่อนก็ห้ามยกใหญ่เลยก็ก็เงียบไปนะไปหลังเอาใหม่ เ, เพื่อนถ้าเรา ครองราชตอนแก่จะไปดีตรงไหนไม่ได้นะคิดอย่างนี้ได้ยังไงก็หลายครั้งสองสามครั้งเข้าไปทีนี้อดีตชาติพระเจ้าชาติศั ต, ตรูบอเอ๊ะปรึกษาพระโพธิสัตว์ไม่ได้การละห้ามทุกครั้งเลยเนี่ยนะก็เลยไปปรึกษาบางคนเข้าว่าเออดีสินี๋่จะช่วยเหลือพวกนี้โง่นี่รันดอนเลยนะวนันี้พวกกลุ่มนี่รันดรก็เลยไปคบกับคนเลวด้วยกันเออเอาสิเมื่อไหร่อย่างไรพระโพธิสัตว์รู้เขาไปได้พวกละ หนีดีกว่าก่อนที่มันจะหนักกว่านี้พระโพธิสัตว์ก็เลยหนีไปหนีไปบวชหนีไปบวชก็ได้อภินญาอยู่ในปา่ามีลุกศิษย์เยอะได้ฌ า, อานาอภิญญาเหาะได้เป็นต้นนะีเนี่ยฝ่ายทางพระราชาเนี่ก็เหมือนกันฝ่ายอุปราชนี่ก็พอเพื่อนหลบหนีไปตัวเองก็บอกเขาไม่เห็นหน้าเห็นเป็นไรมีคนขวางคอก็ดีแล้วในที่สุดก็ปลงพระชนพระราชาตัวเองก็สําเร็จราชกิจ แต่งตั้งตัวเองเป็นพระราชาตั้งแต่อภิเสกเป็นพระราชาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองนีตกนรกทั้งเป็นเรียกว่าหลับหลับเคลิ้มไปเนี่ยเหมือนกับจะตกลงไปในหลุมลาวาเหมือนจะตกลงไปในห ล, ม ล, าามน ล, นลุมนรกทุกวันอย่างนั้นแหละเดือดร้อนใจกินไม่ได้เรียกว่ากินไม่ค่อยได้เลยนะนอนก็ไม่ค่อยหลับจนนี้ไปก็ผวาอีกแล้วเหมือนตัวเองจะตกนรกคิดถึงแต่เพื่อนนี่นะถ้าเพื่อนเราอยู่เพื่อนก็จะห้ามเราเขาไม่ให้เราทําบาปทำกรรมขนาดนี้หรอก คิดถึงแต่เพื่อนในที่สุดฝ่ายพระโพธิสัตว์นี่ก็ไปได้อภิน ญ, ญาอยู่ระยะหนึ่งก็ดูแล้วหูตอนเนี้ยพระราชาที่ไม่มีความสุขเครียดมากก็เลยเข้าไปเฝ้าเข้าไปเข้าไปหาพระราชาก็เลยเข้ามาหาก็เลยมาถามว่าคนที่ทําบาปเหมือนข้าพเจ้าตกนรกยังไงไปถึงก็ถามตรงประเด็นเลยนะเพราะตัวเองก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกอยู่แล้วล่ะแต่แหมกิเลสตอนนั้นมันจยากโก้มีกําลังมาก อยากเป็นพระราชาเนี่ยนะก็เลยฆ่าพ่อเรียบร้อยแล้วซึ่งยุคนี้เนี่ยยุกๆก่อนๆกับยุคหลังๆมาก็ไม่ใช่น้อยไอ้ป้อมแดงที่อินเดียนันก็ป้อมฆ่าพ่อนั่นแหละป้อมนั้นก็ฆ่าพ่อสิคริยาที่ศรีลังกาพระราชวังลอยฟ้านั่นก็พระราชวังฆ่าพ่อนั่นแหละผลจากการฆ่าพ่อเลยไปสร้างวังตรงนั้นะนั้นก็ก็มีทุกหนทุกแห่งนะโดยมากก็เนี่ยตัวเองอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ถึงกับฆ่าพ่อก็เลยเดือดร้อนใจเนี่ยนะ นี่พูดถึงพระราชาเนี่ยก็เหมือนกันก็เลยเดือดร้อนใจพระโพธิสัตว์มาก็เปิดนรกให้ดูก่อนเปิดนรกเล่าให้ดูนรกคนทําชั่วอย่างนั้นตกนรกอย่างนั้นก็แสดงนรกหนึ่งสอสามสีไล่ไปเรื่อยจนถึงพระราชาเนี่ยอุ่นใจโอ้เพื่อนเยอะนี่ไม่ใช่แต่เราคนเดียวนะที่ตกนรกเหมอกันในที่สุดก็เลยแสดงพวกนรกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ดูเป็นต้นเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเปิดนรกแบบประเภทฆ่าพ่อฆ่าแม่ทันทีเลยหัวใจจะวายตายเหมือนกน สกลัวหัวใจจะวายตายก็ให้ดูคนเลวอื่นๆก่อนเสร็จแล้วก็ประกาศถึงโทษของผู้ที่ตกนรกในเนยยะต่างๆคกล้ๆกันเนมีราชาดกในที่สุดก็ประกาศเปิดให้ดูสวรรค์นะก็อธิบายแสดงว่าถ้าพระองค์ปฏิบัติเนี่ยในทางดําเนินที่ชอบพระองค์ก็จะพ้นไปจากทุกพระราชากหันมาสมาทานทําบุญก็เลยกินอิ่มนอนหลั บ, บที่บอกว่าพระพุทธเจ้าช่วยให้พระเจ้าชาติศัตรูสบายใจไม่ใช่ชาติเดียว อดีตชาติก็ช่วยให้สบายใจกินอิ่มนอนหลับแล้วอั้กนเขตั้งอยู่ในบุญกุศลอันนี้ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ถ้ามีกำลังแห่งอภิน ญ, ญาก็จะแสดงนรกเป็นต้นให้ให้ประจักษ์ให้เห็นว่านี้เป็นผลแห่งบาปแห่งกรรมแล้วก็ให้เขายัางลงสู่พระาศาสนาะ ศาสนาก็คือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาทั้งหลายให้เจริญงอกงามในคุณสมบัติมีการให้ทานให้เขาเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการช่วยเหลือกิจการงานที่สมควรที่ถูกต้องไม่มีโทษช่วยแนะนาให้เขาได้ฟังทำแสดงทำให้เขาฟังเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนั้นก็ ให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลและคุณงามความดีสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติตามจารีตของมหาบุรุษคือเป็นผู้ที่ประพฤติตามเยี่ยงตามอย่างตามรอยของพระโพธิสัตว์ในอดีตทั้งหลายเป็นผู้หลังไหลแห่งบุญกุศลหาประมาณไม่ได้เรียกว่า ท่อทานสายทานแห่งกุศลจิตของท่านเนี่ยแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยหลังไหลหาประมาณไม่ได้เพราะบุคคลเหล่านี้เรียกว่าต้องสร้างบุญเนี่ยนะถ้าเรียกว่าอย่างลงเบื้องล่างก็ระดับอเวจียกขึ้นบนก็น่นนะ่ะภาวะกับพรหมเรียกว่าจึงจากบุญของท่านเนี่ยสูงส่งและกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้จึงสามารถที่จะช่วยช่วยหรือช่วยถอนช่วยขนสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ เพราะผู้ที่ยังติดข้องในโลกจะช่วยฉุดผู้อื่นให้ออกจากโลกได้อย่างไรถ้าพระองค์ยังติดข้องในวัฏฏะในภูมิสามพระองค์จะช่วยฉุดสัตว์อื่นให้ออกจากวัตฏะได้อย่างไรเพราะพระองค์จึงเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลอย่างหาประมาณมิได้ตลอดชาติอันหาประมาณมิได้จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ส่วนจารีตศีลก็คงแต่ใช้เวลาเท่านี้ก่อนวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านดํารงมั่นอยู่ในจารีตศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อเป็นฐานรองรับแห่งบุญกุศลคุณงามความดีขอให้มีศีลกุศลศีลที่ดารงมั่นประดุจแผ่นดินที่รองรับ แห่งสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้ารองรับบ้านเรือนทั้งหลายก็ข อ, ขอให้เจริญด้วยบุญกุศลสมถะวิปัสนาได้ตรัสรู้ทมเป็นที่สิ้นทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่นกัน